สพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพล์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอันหนึ่งมีความเข้าใจนวลไปถึงสัญญา สัญญาก็ได้แก่ความจําหมายคือความจําได้หมายรู้ต่างๆมีมากด้วยกันจึงเรียกว่าสัญญาขันแปลว่ากองสัญญาหรือว่าหมวดสัญญาเห็นว่าล้ำพังแต่กินสศขกินทุกข์กินแล้วก็ลืมจําอะไรไว้ไม่ได้ก็ไม่ยั่งยืนอะไรความยั่งยืนมาอยู่ที่ความจําได้หมายรู้ฉะนั้นสัญญาคือความจําได้ หมายรู้จึงเป็นอัตตาตัวตนอันหนึ่งมีความคิดเลื่อนไปอีกว่าสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเป็นอัตตาคือตัวตนเพราะลำพังสัญญาคือความจำได้หมายรู้นั้นก็สักแต่ว่าจำาาเท่านั้นถ้าจําแล้วไม่เอาไปคิดอ่านให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่อไปก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรติดต่อกัน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 ก็เข้าใจการอยู่ในสิ่งทั้งห้านี้ในเวลาที่สิ่งทั้งห้านี้ยังมีอยู่บริบูรณ์ก็เข้าใจว่ามีตัวตนบริบูรณ์ถ้าพิ ก, การก็เข้าใจว่าอัตตาพิ ก, การเช่นถ้ารูปขันพิ ก, การเสียอย่างเช่นตาบอดหูหนวกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกลายเป็นอำมาภัสก็หมดเรื่องกันเท่านั้นถ้ายิ่งสลบสลายไปด้วยเสียอีก ก็ยิไม่รู้อะไรฉะนั้นเพียงแต่รูปขันอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นข้อสําคัญเมื่อยังมีอยู่บริบูรณ์ทุกๆกคนจึงยังมีความรู้สึกอะไรต่อมิอะไรคิดอะไรต่อมิอะไรอยู่ได้อีกสอย่างนั้นก็เหมือนกันเพราะมีเวทนาอยู่จึงมีความสุขทุกหรือไม่สุขไม่ทุกขอะไรต่างๆมีสัญญาอยู่จึงมีความจําให้หมายรู้มีสังขารอยู่จึงมีความคิดปรุง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 เมื่อฟังธรรมจักรท่านพระอัญญาโกณทัญญาจึงได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงรูปเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมอีกจึงได้ดวงตาเห็นธรรมจนครบทั้งห้ารูปแต่ก็ได้เพียงดวงตาเห็นธรรมเท่ากับว่าเห็นทุกขสัตว์ความจริงคือทุกข์ขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงพระสูตรที่สองชี้ลักษณะของอาการทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็น อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนโดยชัดเจนอธิบายเบญจขันธ์ได้เล่าถึงเรื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนัตตลัคณาสูตรได้ยกความของพระสูตรนั้นและได้อธิบายเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรจึงขอสรุปความในตอนนั้นว่าสิ่งทั้งค่าเหล่านั้น แต่ละสิ่งมีมากด้วยกันฉะนั้นจึงเรียกว่าขันที่แปลว่ากองหรือหมู่หมู่คือเรียกว่ารูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณรวมเรียกว่าปัญจะขันแปลว่ากองทั้งห้าหรือเรียกเป็นไทยว่า เบญจขันคํานี้จะได้พบในหนังสือทางพระพุทธศาสนาหรือในเทศนาเป็นอันมากเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะกําหนดชื่อไว้และทําความเข้าใจทุกๆคนเมื่อกล่าวถึงอัตราตัวตนโดยปะกะติก็จะต้องมุ่งไปที่ปัญจขันนี้เพราะเว้นจากปัญจขันนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งอะไรที่จะสมมุติบัญญัติว่าเป็นอัตราโตตนฉะนั้น ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอัตราตัวตนจึงเข้าใจการที่ปัญจขันธ์นี้และก็ยึดการที่ปัญจขันธ์นี้ว่าเป็นอัตราตัวตนฉะนั้นจึงมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัญจอุปทานขันธ์ปัญจก็แปลว่าห้าอุปทานก็แปลว่าเป็นที่ยึดถือขันธ์ก็แปลว่าขันธ์แปลรวมกันว่าขันธ์ที่ยึดถือห้าประการ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 ก็จะพึงได้ในปัญจขันธ์ว่าขอ er ให้เป็นอย่างนี้ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่เพราะเหตุที่ปัญจขันธ์เป็นไปเพื่ออาพาธและใครๆก็ไม่ได้ในปัญจขันธ์ว่าขอ er ให้ปัญจขันธ์เป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี้เป็นเหตุผลที่ทรงชี้ในพระสูตรนี้คําว่าเป็นไปเพื่ออาพาธโดยทั่วไปหมายความว่า เป็นไปเพื่อความเจ็บไข้เพราะอาพาธใช้ในความหมายว่าเจ็บไข้แต่คำว่าอาพาธอาจอธิบายให้เห็นความหมายกว้างไปกว่านั้นคือคำว่าอาพาธแปลว่าเป็นที่ถูกเบียดเบียนเป็นที่ถูกทำลายให้หมดสิน้นเมื่อให้คำแปลอ ย, อย่างนี้ก็อาจอธิบายให้กว้างออกไปอีกว่าปัญจขันธ์เมื่อเกิดขึ้นก็จะต้องถูกความแก่เบียดเบียนถูกพยาด คือความป่วยไข่เบียดเบีย น, ยนตลอดจนถึงถูกความตายเบียดเบีย น, วยนรวมความว่าเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องมีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนถึงดับในที่สุดฉะนั้นจึงต้องถูกความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและถูกความดับเบียดเบียนทําลายล้างให้หมดสิน้นจะพึงเห็นได้ว่ารูปขันกองรูปก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมา แต่อาศัยบุคคลบริโภคอาหารเข้าไปทํานุ่มบำรุงคอยซ่อมส่วนที่สึกหรอยอยู่เสมอจึงรู้สึกมีความสืบต่อเรื่อยมาแม้แต่ในทางการแพทย์ปัจจุบันก็รับรองว่าแม้ส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายเช่นกระดูกก็เปลี่ยนไปอยู่กระดูกเมื่อเกิดกับกระดูกในบัทนี้ก็เป็นโครงส่วนแล้วส่วนที่อ่อนกว่านั้นเช่นเนื้อหนังก็ยิ่งเปลี่ยนไปได้เร็วฉะนั้น รูปขันก็มีความเกิดดับอยู่เรื่อยแต่อาสัยที่มีสัน ต, ติคือความสืบต่อเพราะชีวิตยังกำรงอยู่จึงยังเป็นมาได้เวทนาขันกองเวทนาปรากฏเกิดดับเห็นได้ชัดอย่างเช่นความสุขเกิดขึ้นแล้วหายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปความเป็นกลางกลางเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเปลี่ยนกันไปอยู่เสมอสัญญาขันกองสัญญา ความจำหมายก็เกิดดับอยู่เสมอสังขารขันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเป็นเรื่องต่างๆก็เกิดดับอยู่เสมอวิญญาณขันกองวิญญาณก็เกิดดับอยู่เสมอคราวนี้ควรจะทําความเข้าใจคําว่าวิญญาณได้เคยให้ความหมายทั่วๆไปแล้วว่าหมายถึงใจหมายถึงสภาพที่จะไปเกิดต่อไปหมายถึง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 ในเวลาที่กายกับสิ่งที่ถูกต้องกายกระทบกันเรียกว่ากายวิญญาณความรู้สึกในเรื่องที่มโนหรือมนะรู้ในเวลาที่มนากับเรื่องกระทบกันเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณในปัญจขันธ์หมายถึงวิญญาณหคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางอายตนะทั้งหกดังกล่าวมาแล้วฉะนั้นความรู้สึกดังกล่าวนี้จึงมีมากเมื่อตาเห็นรูป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 ตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขท่านทั้งห้าก็กราบทูลตอบว่าเป็นทุกขก็ตรัสถามว่าสิ่งใดเป็นทุกขมีการแปรปลี่นไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นอัตตาตัวตนของเราท่านทั้งห้านั้นก็กราบทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นในตอนนี้เรียกว่าเป็น การสอบครั้งแรกในพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอบถามท่านปัญจวัคคีถึงความรู้ความเห็นของท่านในเมื่อฝังเทศแล้วนับว่าเป็นการสอบไล่ครั้งแรกและในข้อสอบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นถามนี้ก็เป็นอันตรัสถามในหลักของไตร ล, ลักษณะเครื่องกําหนดหมายสามอย่างอันได้แก่อณิ จ, จังไม่เที่ยงทุกขัง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 จะได้กลางสรุปในตอนนี้อีกสักนหนึ่งคือเบื้องต้นต้องศึกษาให้รู้จักปัญจขันธ์ว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรต่อไปก็ศึกษาให้รู้จักปลาลักษณะที่เป็นไปในปัญจขันธ์นั้นคืออนิจจัทุกขอนัตตาเมื่อเกิดสำมัพบัญญาคือความรู้ชอบตามที่เป็นแล้วในปัญจขันธ์คือปัญจขันธ์เป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นไม่ใช่รู้ตามสัญญาหรือว่าแกล้งรู้ รู้ไปตามที่เป็นไปแล้วอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะเกิดนิพพิธาวิราคะวิมุตติและวิมุตติยานทศนะดังกล่าวโดยลำดับอันนี้เป็นหลักธรรมะเมื่อมีความเข้าใจตลอดสายอย่างนี้ก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนาในส่วนประมตธรรมทั่วทั่วไปด้วยในท้ายพระสูตรแสดงว่าเมื่อพระปัญจวคีได้สดับพระสูตรนี้แล้ว ก็มีจิตปิติโสมนัสจิตของท่านทั้งห้าก็พ้นจากอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองนอนจมหมักหมมอยู่ในสันดานจึงได้บังเกิดเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นหกรูปในโลกพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตรูปแรกท่านพระปัญจวคีที่ฟังอนัตตลกณาสูตรจนจิตพ้นจากอาสวะกิเลสสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์อีกห้ารูปก็รวมเป็นหกรูปด้วยกัน พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรัตนะรัตนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมได้ชื่อว่าพระธรรมรัตนะรัตนะคือพระธรรมพระปัญจวัคคีซึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้นได้ชื่อว่าเป็นสังฆารัตนะรัตนะคือพระสงฆ์รัตนะทั้งสามจึงเกิดขึ้นบริบูรณ์ในวันนั้นท่านแปงว่าวันนั้นเป็นวันแรมห้าท่ำแห่งเดือนสวรร ซึ่งตรงกับวันแรมห้าค่ำเดือนแปดตามที่นับในประเทศไทยฉะนั้นในวันแรมห้าค่ำเดือน8ดจึงเป็นวันที่รัตนะทั้งสามเกิดขึ้นบริบูรณ์ในโลกส่วนวันเพ็ญเดือนอัสสหะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าในทรงแสดงปฐ ม, มเทศนานั้นพระโคนทังยะรูปเดียวได้เกิดดวงตาเห็นธรรมซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่า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 จึงเป็นวันที่รัตนทั้งสามเกิดขึ้นบริบูรณ์ในโลกโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพลธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกวลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในโอกาสต่อไป